พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่7โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงธรรมในวันที่7กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าความตายเข้ามาเตือนเหมือนไอหลวงพ่อรับมาจากบินทะบาทหัวหน้าสายการบินนะร หัวานายหัวานาหัวานาสายการปินบันชุ่มพ้นบอกว่ารถฟอดจูนเนอร์มาช่อนกูบากําลังปินทาบาดองค์สุดท้ายองค์กูบาองค์สุดท้ายกําลังหลับบาดอยู่ก็ไม่ออกนะพ่อรถรถชิบหล่ลลลอมันลงไปจากเนินบาดในรถฟอดช่อจูอจนเนว่าแซงขึ้นมาเนี่ยนะแซงขึ้นมาบกบ ผมมึนหูมึนตานไปแซงขึ้นมาหม่งเนิ น, นพ่อขึ้นมาโพโลขึ้นมาเมาเจอกระโดดซบปล็อปเลยกฉลาดเท่า่ลผมช่อนรถจิบอมาช่อนผ้าลงไปเวียงมาช้อนผ้าผ้ากาลังบินธบาทองเอิญมันเกิดลบไปแล้วงมันเลี่ยงไปนะองเงินก็ควงเจ็บนั่นนะสายกระจกหูซ่างนี่แตกของผมเปนธรรมดาเลย แห้งเติบอยู่วันหปส้นไลเพ่ี๋ยพอเปิดหลวงเมื่อกี้เนี่ยตอนมาบินาบาทก็ได้ถามว่าเป็นไกูบาวเปิดไล่บางนะเปิดไลก็เออก็ยังพรท่านแดงนะวนุ่นละอีกสักมื่สองมือนเ้าคือสดำมมันแห้งเติบอยู่เจนตัวปิ่นมันมันก็จกกระจกแตกก็โมเมนธรรมดานอกูบาห้องอยู่ย่งห้องกรพันอย่างเร็วห น, ขน่ขนาดขนาด กระจกแตกเนะี่ยยังกูบ่ายยังเฉยเ ย, ยาะห่อไปแต่ผู้ทีนนะ่ส้นถามจากพออสุจิว่าเป็นคู่กนจะไคู่โรงเรียนป่วยคงจะเป็นนั่นแหละ ม, ะมาจะมหาเบาหวานมาหาตรวจเบาหวานวันนี้มั้งเฝ้าึ้นมารีบเร่งกันไปจำ ต, ติมเขาบ้าน่าจะรีบเร่งนะย่างมือเศร้าขับรถมากนะขึ้นมากกับคืนเนิ่นเนิ น, น, นบรรชุพ้น เนิ่นเนี่นมันเคยมีหลายครั้งแล้วนะพ่อขืนมากกจ่าเอกรดจิบหอกกับหลีกกันตัวหลีกรดจิบหล อ, อกเวียงไปทั้งกู้บาดด้วยกู้บากันนี้นี้พอออ ก, กําลังรับปีนเถาะอยู่เป็นวันแล้วก็มาในเบิ้องทางหลังไนอะ้โจกก็ได้ปัดไล่กู้บาก็เจ็บอยู่จงควรอยู่แต่กระบอกไปยังนะก็ะเบนเป็นลงพอเนี่ย ลงพอก็ให้อภัยนะ่ะมันแล้วไปนะมาต้องเอาโทษถือโทษโกดเครื่องอย่างนี้หรอกเขาคงจะมาแล้วคงจะมาบอกมาว่ากับผูบาดมาขอโทษนะ่ะเอาก็ะเหต์อดโทษเขาซะแต่เป็นอย่างลงพอนะแต่ลงพอก็งประกาศเบาเขื่อนนะ่ไปอดโทษแล้วก็จะว่าลงพ่ออินเหนือกฎหมายอาญาพิว่าอีก อ, อสมัติอดโทษให้ผู้อื่นเอ ทั้งที่ผู้อื่นเขายังพระท่านวายจังไรเจ้าของกับพระท่านวาจังไหรหลวงพ่ออินอดโหให้กอนแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะติดโทษติกว่านั้นไปแต่ก็าเป็นเป็นอย่างหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อกะหายอภนั่นแหละมันแล้วแล้ ว, ลวไปก็ว่าเจ็บปวดๆอย่างแล้วก็กูบากรซอยๆกันเบิงนะเอาอยาพวกนะัย้ยยาหลวงปู่จนสมวันะั้นมาหนวดหนวดวก็คงจะบอนานดอกเดี๋ยกวก็าหายน้อยเดียวแต่ก็คงจะช้าอยู่นะ ใหม่ๆกครช่างพอท่านเห็นหอกแต่อีกสักมือสองมือคงจะช่ำแต่เป็นกบฏถึงกบลมหรอกกัพ่อพ่อชายหันควาหันดีๆแล้วไปเพราะก็จกส้นไหลเลยว่ถึงกบลมขมำนี่แหละไพ่ไพ่อยู่ในโลกมันเป็นที่สิทะขาดว่ถึงขาดบกมีการขาดไหม้ เพราะนั้นคูบา ท, ทั้งหลายเวลาบินทำบาดให้บินทบาดไปสายเดียวกันขันทาวายามยางนี่ยเกิดยางไปจากวัดเท่าเดิมขัไปทาง้ายขันยางออกมาจากบ้านก็ให้ยางทางสายขึ้กันจะไปยางค้นละคางขันยางค้นละคางเนี่ยเวลาลถมากนี่ยจะเขาสิหลี่ยทางใดหลีกยาก เพรนั้นเวลาเฮาปิดตา บ, บาดเท่เาก็บตรงหัวจักยางน้าหลังกันถึงจะยางพรท่านได้รับบิดตบาดก็เถอะเวลายางจากออกจากวัดไปนี่ต้องพยายามยางทางซรายไวให้เลี่ยงกันเวลาลถมากเลยมันมีปัญหาเขาจะได้หลีกไปทางอื่นหลีกไปทางขวาเวลาขากลับมาเฮากดไปทา ง, ทงไปทางซรายอีก ครับครับเขาวัดดิบปนเล็กถ น, นนไปทัทางสายให้ยาง น, นับกลกันจะไปยางทั้งสองขางอันนี้เป็นคำพูดหลวงตาเลยสมัยหลวงพอ่อยู่บันตาดรถทั้งที่รถบัวไหลนะลรถบัวหลเน่ยหลวงตาเห็นพระยางานคนละขานโหถึอหายเลยลหละมันจะให้เขาเลีกทั้งไหนนะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเน่ยบางทีมันหลบนะอันตรายนั่นน่ะทำไมไม่เคดพรนะนี่เหรอหลวงตาวา หลวงพ่อก็จําไรต่พูนละแม่นความเพลินเอาล่ะเหล็กไปเวลาบินธบาตต้องไปทั้งเดียวกันถึงจะบดเอ็น้ากลกันใกลๆกลัห่างถึงจะห่างกันกันไอ้หายุก็ใหายุกทา้งเดียวกันแต่ว่ารถมากมันจะเด็กเขาก็จะเด็เหล็กไปทางอื่นหักหักรถไปทางอื่นนะชย่ยช่ยบอกกันนะปกุบาแต่ตามไม่ยิงไปแล้จะห่างกันมากเกินไปนะเวลาไปบินธบัต ผู้ที่สากระยางให้เว้นไหวขึ้นผู้ที่บอลไหวอยู่แล้วก็พยายามลดลดลงให้หมูไปน้ำกันใกล้ๆกันแต่ก็อยา้ถึงกับเข้ากันเข้ากันคือนยางเสากันยางคอยยางไปนยุบหน่อพองหนอไปมันกับอะไรละ่ะมันก็ต้ององค์ใดยางสากองติงย่างไหวกระยางกอนเลยหรรีกไปเลยยางกอนไปเลยเว่นเสียแต่เขาอยู่ในบ้านแต่อยู่ในบ้าน่ะเออต้องเลี่ยง เลี่ยงตามอายุพรรษาผู้ใดบวชก่อนกะยางก่อนผู้ใดบวชที่หลังกะย่างที่หลังนั้นคือเข่าประจําทีประจําการแล้วต้องยางแบบนั้นกันอยู่ทั้งนอกว่านโบไปยงังไปสียางก่อนยางหลังกันก็นได้แต่ใครจาร่วมอย่ไปยืนนย่าไปเป็นพระเป็นสงศ์อย่าไปยืนเคี่ยงคู่กันคุยกันตามทางถนนดูระเบ ง, ง้าม ขาดสมณสสรุปการเดินต้องเดินภาวนาไปเพราะบมเนเดินขอท่านอุมบาตกรจริงยุ่แต่พระพุทธเจ้าเป็นวา่าเนบทเดวาขอท่านได้เพิ่มวบาบินทบาตโปรดสัตว์โปรดผูมิจิตใจที่เป็นกุศลเนะพราะนั้นขอให้พวกผ้าเบ่งหน้าเบ่งกันผู้ใหญ่ผู้น้อยนี่อันตรายมันบอกแล้ว ผนรถมันลายมันบอกมันกล่าวขึ้นมาแล้วชัฏทายแย่งงมคือกันผูที่ใส่ใบาตผูเป็นหัวหน้ากันมันใส่ขึ้นมาล่ําเขตขาวขึ้นมาอยาให้มันล่ําเขตขาวขีดเส้นทางพออยู่ในบานมันก็มีเส้นอยู่แล้วผูหัวหน้าคขาวอกเออไมออกขยับพอออกไปออกขยับออกไปเนอะเดี๋ยวมันอยู่ในเส้นนั่นของเขาอันตรายบางทีมันลถขึ้นมาอันตรายขยับไปยับไปสักหน่อยเนอะ ห้อยหลังผู่เป็นหัวหน้าก็ต้องปากไหวต้องมองเหตุการณ์เพราะเป็นหัวหนา้าเลยมองความอันตรายจะเกิดขึ้นอย่างพระบินทะบาทกักนขันผู้ใดเป็นหัวหนา้าองค์ไหนเป็นหัวหนา้าเป็นผู้นำโมจะไปกลมกู้ซูกู้ซูเคื่องยังท่าองค์ที่หลังกับผู้ใด เวลาไปบินระบานมันก็ต้องเหลือมองไกลแล้วก็ม่องไกลแล้วก็มองไกลแล้วก็มองคางจะเป็นอันตรายจังไหนบะบางที ม, ทมีสัตว์จ้าลายสิงมงววีสักรามง่วงควายหรือมีออ้ยังเกิดขึ้นผู้หัวห น, น้าก็ต้องได้บอกหมูเอ้ยอันตรายก็จะบอกเออมาบา้าไว้ก็จะถึงหูวจักนะโบแมนที่ทกรมนาสำรวมไปตลอดโบแมนได้ผู้เป็นหัวหน้าตรง ฉเฉลียวฉลาดว่องไวสายหูสายตาต้องเบิงสังเกตสังกาเข้าไปในหมู่บ้านชุ่มชนนี่แหละอันนี้ในพวินัยผลมีดในพวินัยในการบินทบาทบแมจะบินทบาท3สำซ้เราจะสํำรวงเมื่อบินทบาทคำสํำรวมงขยังส้ำรวงก็คือบ่ให้เลี้ยวหลกหลกเล็กๆก็ยังไปหา ของปลาไปหาหมากใหม่ไปหาเาตาหาแร่นหมาเป็นสัตว์ข้าของเตาเบงเสำรวมนะขนาดไหนสามแอกคอนะสามแอกขอสมัยก่อนะคือมีแอกใส่ข้อควายนะแอกกแต่คูมเมอร์เน่ยกับประมาณสามเก้านะนะแอกขอหนึ่งกับประมาณเก้าหนึ่ง ประมาณประมาณสามเก้าให้มีต า, ตาทอดลงในประมาณสามเก้าอันนี้ก็คือพระติดตามอย่าให้ใกล้เกินไปอย่าให้ไกลกันเกินไปคันาว่ามันนั่งใกล้บางที่เลี้ยวขึ้นฟ้าพราะองค์หนึ่งยุดิองค์หนึ่งไปชนกันเพราะปั่นรถชน ก, นก้นกันมันเสียสมณะสารูปต้องระมัดระวัง อย่าให้ห่างกันเกินไปอย่าให้ชิดกันเกินไปแต่พวกผู้หัวหน้าที่เดินไปต้องมองดูทางหลังถ้าหาง ว, ว่าตัวเองเดินเร็วเกินไปก็พยายามเดินซาลง้ามันเดินซาหมูเ ข, าข่ากับพยามยางให้ไห้ขึ้นขันหั ว, วไปมาหอดวัดแล้วยังคอยว่ากันมนาไผ่มันเดินซาเลยวะจังหลงพ่อเคยหห้ให้พระ พระบวชใหม่เปิงเนี่ยเหลือบหลวงพ่อบันเทเหลือบเปิ่อทางหลังยังห่างอยู่เออมันแล้วก็เอาไปมากเลยเด็เขา่าพระกพระใหม่พระหอดวัดหลวงพ่อกระไยน์น่ะบะ้านไอ้พระใหม่เนี่ยมันยังน้อยอย่างหนนะุ่มเลยาไมมันเดินตุ่มเตียมตุ่มเตียมนะวะมันไม่คล่องแถวว่องไวเลยนะถ้าหากว่าองค์ไหนเดินช้าๆอย่างนี้ไปสายอื่นนะอย่ามาตามหลังเรานะ ขนาดเราแก่ๆอายุจังเจ็ดสิบกว่าขนาดนี้เราจังเดินออให้คอยพระใหม่อยู่เนี่ยมันดูจังไงแถวองค์ไหนเดินไม่เร็วบอกนะพระเก่าเนาะจะให้เดินตามหลังหลวงพ่อนะไปให้ไปสายใหม่หลวงพอบอกตอนน่ะนว่าเข็ดเลยบาดจักให้ไหวมันหาไปสายอื่นม่แหงไหวได้พอนออกจากวัดหัยเออลี้ยวหลดอไป ตัวเองจะไปหาซากเอาปาอกมูกรับมาหอดบ้านตัวเองเนี่ยมาท่านหอดหอดบ้านในต่างหากไปขนาดสายลงพอว่าลงพอสาสตร์เลยดเด็เนียทพระเนีไปหาสายน้ำบรัยนี่แหละการอยู่ด้วยกันมันต้องมีกฎเหมือนต้องมีระเบียบมันต้องเบิ่งกันการอยู่ต้องกันเอกานอยู่ผัวเดียววา ว, า, วากันแล้วสิยางคอยข้านมากก็ได้ขันพ่อยากกินเข่าไงาอง เร่สิแรนมาก็กิขบวแมนแนวเื่อนนะแรนมาจากมองยูมาหอดบ้านมันก็ต้องเป็นไปตามสมณะสรุปเดินพวนาไปเรื่อยแล้วก็เดินกลับให้มีเคลียวเวียงระวางนี่แหละอันนี้ก็คือพระในพระพุทธศาสนาพระใน พ, พ, พระพําธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันใดพวกพระหลอน มัตระว่างนอะบินเท่าบาทเนี่ยมือเนี้ยมันบอกข่าวแล้วกล่าวขึ้นมาแล้วเรื่องรถนะแล้วก็หัวหน้าเนี่ยสําคัญมันอยู่ในเขตขาของเขาบ่อยก็ไม่เขตเขาห้องก็พยายามบอกเขาให้ขยับเขาไปอีกอย่าให้มากทางในเกินไปเว็นเสียแตทั้งของหลวงพ่อทั้งหลวงพอนะ่อทั้งเขาบ้านทั้งเขาในบ้านเขาบอกไปยัง เเราได้ยนินเสียงรถเขาก็เหลือเพึงแล้วก็เห่าก็นลบให้เขาะเขาบางที่เขามีความจาเป็นเห่าจะไปคือว่าเขาเป็นพระอย่างกลางถนนเลยกับบัวได้เราต้องลบตรงที่ให้เขานะ่ะเนี่ยมนุษย์พวกมนถนนมันเป็นถนนเห่าถนนสาธารณนะเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็คือความปลอดภัยของพระสงฆ์ตูกาน นำมาตรระว่างแั่นนะจกการบุมี่อย่างค่ะให้อภัยเขาเนอะบอกเบิงเบิงเบิงกรรกันอซอยซยเบิ่งกันโอคุบาเก้าเมื่อเนเป็นวันพระหัสทีเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพัหรยหกสิบมือว่าในหลวงพอจุฑามเปินกามาวัดเท่ากับหลงพ่อบุญมี่ และกูบาอาจารย์6กวัดมั้งมาคาราวะตามประเภทนี้ผนมาจากสกลนครพอไได้มากรมาเด็กมาพูดมาคุยมาสนธนาปารบตลอดถึงปีน้องประชาชนก็มานัเปินหลายยกเมื่อวานน่ยหลวงพอก็ทราบว่านยอน่าติโกโหงงติกาของเข้าหลวงปูําผิวอายุแปดชิบปีคดเป็นคนบันตาด ลูกหลานหลวงตานะ่ลูกตาหางๆเปิ่นโบดมาหลายปีแต่หลวงตาตั้งซื่อว่ า, าวใช่ไหมจา้จาจา้าจ้า <c> ห <oughs> ลวงตาเนี่ยเพื่จิตตั้งชื่อพรองค <c oughs> ์นั่นองค์นี้เลหลวงปู่เพี้ยนี่ยปว่าเปิ่นวัสมุขลงไปหลวงปู่เพ่งทำกรุงเพ่ง เ, เอิญปลัดตัวน่ะไปประลัดเพ่งหลวงปู่บนมีเน่ยเอิญใหญ่ ผู้ใหญ่บานลงตาพจน์ตนึงซื้อออาจารย์คำผิวเนี่ยเพาะว่าจะเอินจาจาบ้าบเนยียอายุเพิ่นเกิดมากละแปดสิบกว่าปีเมื่อวานเนี่ยก็เลยนไห้พระจัดพวกผ่าหม่ผ่ายจจะตุปัจัยไปงานศบของเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นอยาติโกโหติกาเห้าลูกชิตลูกหาองหลงตา พี่น้องต้องบังช่วยกันเมื่อวานก็เลยส่งฝากหลวงพ่อชูธรรมไปขันบมมี่อย่างหลวงพ่อก็เลยนัดกับมูกับเพื่อนพี่พีน่น้องๆนัดกันวันที่สิบห้านะไปพร้อมกันสวดมาติกาบังสกุลพร้อมกันร่วมเอาเจตุปัจจัยไปร่วมอีกเผื่อนในงานศพของเพลินแล้วก็คงจะไปชุมเพิ่วันที่สิบเจ็ั้ พระราชทานเพิ่งคงจะเป็นพระราชทานเพิ่งพบเพิ่นเป็นพวกคู่เลยเพิ่นเป็นพวกคู่คงจะได้ไปพระราชทานแต่ที่ระบบกว้างแนตะ่ที่แคบวัดของเพิ่นติถนนทังเขาอำเภอชัยว่านนะาการว่าเข้าไปอย่างอุดอรนีก่กัทางแวะเขาอำเภอชัยว่านทา้งขวานะเอาไปสกุลนองค้อนนะวัดเพิ่นก็นเยอะทั้งสายวัดหลวงปู่ขัมผิวนี่นะ เกิดแก่เจ็บตายองค์หนึ่งกันเนะี่ยทีเผาประชุมเพิ่มวันที่แปดที่เก้าเนี่มัง่งอันนี้กนะันหลวงพ่อหน่อยหลวงปู่คำพ้องเปิดไปมรณะภาพอยู่อเมริกาแล้วก็เพิ่งออกมามันที่ตะไรวันที่หนึง่งวันที่สองนะหลวงพ่อกันั่นจนระิงจริงเสียทราบข่าวเปินมรณะภาพอยู่อเมริกาแล้วก็จบมาก แล้วก็จะประชุมเพิ่งวันที่แปดและวันที่เก้าจะเป็นพระราชทานเพิ่งคงจะเป็นประชุมเพิ่งองค์นี่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์ท่องแต่ก็เคยอยู่คยมากราบหลวงตาบัานตาดอยู่เป็นโคหนักกันกับหลวงปูอป่อุ่นหลวปู่อุ่นวัดปลากแก้วชุมพ่นผู้หนึ่งเป็นหนักขวาผู้หนึ่งเป็นหนักซ้ายแต่หลวงพ่อน่อยเนี่เป็นหนักขวามัง้งอย่างก่อนหลวงปู่อุ่นแต่หลวงพ่อจับโมพิดนะ แต่เปิลเป็นหลวงพ่อเปียงย่ า, ยาหูจักขักพอเปลไปอยู่บ้านห้อยไส้เลยบ้านห้อยไส้วัดคุณมาชี้แก้ววัดหลวงปู่จามเนละเปิลอยู่หันบ่านยนบวชพอตอนที่บวชไปบวช่มุกทหารมานี้ทั้งสององค์เนี่ยทั้งหลานเป็นหลานหลวงปู่สิงหทองทั้งครูเลยหลวงปู่อุ่นกับหลวงปู่หน่อ ย, เ, ยเป็นหลานของเพินเปิลก็เลยอายุทอกันมาเลยก็เลยไปบวชอยู่ อำเภอมุกดาหารวัดศรีมงคลเหนือแล้วก็หลวงปู่อุ่นหลวงปู่หน่อยปู่หน่อยเป็นนาคขวาหลวงปู่อุ่นเป็นนาคท้ายแล้วก็โยมบยัณฑิตทรายหลวงปู่หน่อยนี่ผู้ใหญ่จูมหรือเป็นอาโยอาหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้บวชให้เป็นผู้ตั้งกองบวชเป็นเป็นผู้ถวายกองบวชทุกคนมหากองบวชยากเลย เออเพิ่นก็เลยเนะี่ยเตรียมกองบวชให้อาจารย์หน่อยองปูหน่อยนะเป็นผู้ายจูมเป็นผูเป็นภูบวชให้แต่หลวงปูอุ่นนะ่พอออกเทิมเป็นโยมอุปถัก์บัตหอยทรายนะั่นะออาคนละองกันผู้ายจูมผูพธพอเทิมนะไปบวชให้นี่แหละอันนี้ก็คือบัตรนี้อายุเพิ่นกับตัวใดล่ะ ปิกำมรณะภาผ่า้วเลยจะไปชุมเพิ่งวันที่แปดและวันที่เกเนี่ยแหละหลวงพ่อสิไปบ่อนโอ้หลวงพอ่อขึ้เปึงหนทางมันไกลและเกินอย่าโสท่อนพูนนะไปก็ต้องไปกรับมาหนูเสจเฮ็ดยังไงก้ น, ไ, นไปก็ต้องไปนอนอีกไปหาหมองนอนอยู่เคิงทางและวก็ไปเอาละถึงยังไงกับทังพุ่นมากกัมีฟืน้นมะีเผาก็จหม่อยู่มากกว่า มิแต่ทรงจิตทรงใจไปเท่ะนั้นะทรงจิตทรงใจไปเขาหลบสักกะละมรณะคือความตายทรงจิตทรงใจไปซอยแต่เข้าจิไปเข้าจิไปเองเโอ้พึ่งแล้วก็เป็นภาระมักมา ก, มากหน้าฝนอีกต่างหากอันตรายเบิงเบิงบวกลบกู้นหารไปแล้วก็คงบอกให้ดีนะ อ่าวันนั้นหลวงพ่อเขาพ่องไปงานหลวงพอ่อหลงปู่คาพ่องตลงพอ่อคําพ่องหลวงพ่อน้อยอันนี้กับว่าวกาวให้พวกเข้าได้ฟังบ่เม็นแต่โยมตายแต่พระก็าาตายเป็นคือกันวันน้งแปความตายบ่ได้เลือกผู้ใดวันน้องแปะพอผู้ใดเจ้าปนวันะ ถึงขราวมาแล้วเนะ่ยพระเจ้าแผ่นดินนี่ทิ้งทิ้งพักาถาพักาถาก็คือคือที่ถือปเน่เป็นเป็นที่อำนาจนะพักคาถาชาวนาก็ทิ้งแอกและขันถทยข้าราชการก็ทิ้งปากกาทิ้งกระดาษพระตายก็ทิ้งบาดและทิ้งจีบอนไอ ปราราแม่ชี้ตายเยจในไปไม่ชี้ตายก็ถิมพระขาวก็ถิมกละมังใชอกันนะวถิมหมดเลยตายล่ะเออปน่ในพวกเข้าทันทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วตายเป็นทแท้ๆเพราะวาา่าเจ้นันพระที่บอกให้ฟังเนี่ยนะมรณะเมพวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภยัยแต่ว่าถึงร่างกายกระตายก็จิงยุกพระพุทธเจ้าพณ์บอกว่ า, วาใจมันบอ่อตายเนอะตัวผู้รูเนืกอขิดมันบอ่อตายพระพุทธเจ้าพว่าท่นเออพณกใไรสังเกตไหเบิง่งให้ศึกษา บาดในมาหอดพ่อแม่กู้บาดจาย์ของเห่าหลวงปูเ่เสาหลวงปู่หมันหลวงตามหาหลวงปู่หลาหลวงปู่ต่างๆพันก็ยืนยั น, ยนเลยว่โอ้แม่นอีหลีพระพุทธเจ้าเป็นว่าวนะัะแม่นอิหรีขันพุธอยากหูให้ภาวนาเนอะนางภาวน่าสู้ให้จิตใจสงบเพราะจิตใจสงบเท่านั้นะหููจักได้ตัวตนเองไม่ต้องถามไปคันว่าบุภาวน่าในสงสัยเนอะว่าสงสัยว่าร่างกายกับใจใจของไต ของเฮานะี่ยตายละศูนย์ทแท้ๆในความารู้สึกพอห้องวันเด็พิสูจน์การเท้าพิสูจน์แล้วห้าจูงหูจักโดยตจนเด็กว่าตายแล้วบ่อศูนย์ตายแล้วเกิดที่ไปเกิดนั้นคืออย่งคือตัววิน ญ, ญาตคือตัวพวกรูรูเนี่ยตัวนี้แหล ะ, ะจะไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดในที่อื่นแต่ทุกคนต้องถิมมัดบวารดับไหนเป็นพระโพธเจ้าบาร ม, มีครูของพวกเฮ้า ดำดินบินบนได้เหาะเหินเดินฟ้าได้เป็นสยามผู้รู่รู่แจงโลกเลิศที่สุดในยุคปัจจุบันพระองค์ก็ยังถิ่งถึงถิ่งถิงถาทิ่งขันแต่พระองค์ก็เขาสู่ในผ้านพระท้ยใจของพระองค์บริสุทธิ์เพิ่นชำระใจของเพิินตัวผู้รู่บริสุทธิ์รู่แจงเห็นจริง เขาสู่นิพพานแต่ร่างกายของเพลนคือกันครับทัวๆไปถิ่มไว้ในโลกพวกเฮาคือกันทุกระดับปานเองว่าเจ้าฝ่ายมหากษัตริย์อย่างในหลวงของเฮาเห็นหมดแล้วเพนรับผิดชอบขนาดไหนบุญบารมีบุญนักสักไกขนาดไหนเพลนก็ได้น่ต้องได้ทิ้งถาดทิ้งขันคือกันกับพ่อแม่คู่บาอาจารย์ หลวงปู่เสาหลวงปู่หมัดหลวงตามหาบัวหลวงปู่หละหลวงปู่แวนหลวงปู่ขาวนี่แต่ลายลๆมาแม่นมัดครูบาอาจารย์นวมาหอเท่าห น, น่อโอ้ยขาหน่อยบ่ถิมนาะ ก, ก็นขน่อยบ่าจากนี้จากโลกกันจะยุ่นี่แหละกันจิเข้าจะออกันเป็นว้อบันเนียเขาก็ทิมคึอกันอีกจนะักมือหนึ่งวันหนึ่งาวก้อนที่ถิมเข้าสิิมแบบไรเอถิมแบบโง่โง่ิมแบบบ่คิดบอ่อน ทีมแบบบปฏิบัติศีลบวปฏิบัติถ้ำนะอันนั้นแปลว่เกิดมาเนะ่ยเสียทาเสียที่เด้ตามรักถ้ำค่ำสอนและตามแนวแถวของพ่อแม่คู่บ่ายจานเฮาพนักกรที่ถึงจุดจบจุดนั้นนะ่ะให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้บำเพ็ญท่านศีลภาวนาให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มที่เมื่อสร้างบุญสร้างกุศลเต็มที่แล้วนะ่ะจิตใจดวงวิญ ญ, ญาณจะนะ่ะมีบุญละ พอออกจากภพนี้ชาตินี้นะ่ะบุญกุศลน่ะจะเป็นเพื่อนสองนะเฮี้ยงขางรองซองลบะบนะ้อาอผ้าไปแล้วนะบุญผ้าไปแล้วบ้านผมบุญผ้าไปจะไปเกิดไส่บุญผ้าไปไปเกิดมองห่างๆมิ่งๆหรอนะเนี่ยเรีอกว่าจะเกิดมองไรที่ที่ดีที่วันดีที่ทศนะเลือกเกิดใจเพอาะเฮาพี่บุญ จะไปพักอยู่บนสวรรค์สันฝ่าก้อนก็นได้จะไปเป็นภูมมะลูกค้าเทวดาเนี่ยอยู่ก็ได้จะไปเกิดเป็นชั้นพรมอยู่ก็ได้อหรือจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็นได้เพราะเขามีบุญการว่าเขาชําระกิเลสได้เขาสูนิพัานเลยโอ้ยเบื่อมันแหลกโลกนะเกิดมาพบนายชาตินาเกิดทั้งอยัง ไ, ได้กินได้ทาย เออได้ใช่การใช้งานทําการทํางานขึ้นเกานะ่าเอาไปมากกเกิดแก่เจ็บตายขึ้นเกา่าเกิดมาพบใดชาใดก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะบกเกินนี่ไปหรอกเออถึงทันจะมีมั่งมีม่งีสุกยศธรรมบรรดาซักสูงทรงขนาดใดก็บพอไมีเห็นปู้ใดยอยู่ได้ถึงข้าวหรอมิดจีดีกมรณะาภาพตายไปเกิดมาพบนาอีกก็จะขึ้นเก่าดีละ่ะมันหนาเบื่อแทะๆหลอกอันนี้เอาเถอะ ขาพระเจ้าชะสยชำรบใจของขาพระเจ้าตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพณนบอกไว้นะ่ะเอาศีลสมาธิปัญญาเนะมักแปดเนะําชระใจดวงนี่เมื่อชำระใจบริสุทธิ์แล้วนะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเบื่อนายคลายรุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วเขาสู้ในพานาจีบม่าเวียนวายตายเกิดพอถอน ทำเชื่อให้มันหมดแหละเชื่อที่จะพาไปเกิดคือกิเลสราคาโทสะโมหะนะกำจัดออกแล้วจากคิดจากใจใจบริสุทธิ์แล้วใจบมมีเชื่อที่จะพาไปเกิดอีกแล้วนะอันนั้นแปลว่าใจที่หมดจดจากอาสวะกิเลส อ, อ่าทำอะไรจังสรนะเลิศประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติทุตถาย ม า, มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจะม้าเหยียบแผ่นดินอีกแล้วอันนี้ก็คือหลักธรรมคําสอนที่พวกเราศึกษานะที่พูดท้งนี้ทั้งนั้ น, นให้ฟังตั้งแต่ริเริ่ม <c oughs> เรื่องละเวียงละว่างเกิดมาในโลกนี่เป็ น, นั่นแหละลูกหลา น, นเลยปิณฑบาตกิยังที่ว่านน่ะไปใส่มันเป็นผิดเป็นไภัยมั้ แต่หลวงพ่อยอยู่ในกุฏิหลวงพ่อหมื่ว่านหลวงพ่อก็คคำคำขึ้นมาจากทางไดจังกรมพอขึ้นไปเดี๋ขึ้นกุฏิพอกุฏิขึ้นมาเดีวกไฟสายมาันก็บ่งฮวงแลบอะอุญูอยะกษพอเปิดเข้าไปเี๋ปิดประตูบอ่อเขาวายมันปิดจัง่งไรันปิดอย่างข้าใหญ่ขึ้นยังโมมีผ่านปิดอีกพอปิดก็เลยเอาไฟส่องบมด ที่ไเป็นงู้นะไปมันหนีบงู้นะไปมันปิดบกเขาเพราะมันหนีบงู้นะไปงูตัวสน ท, ท, ทอนี่แหละไงคนนี้ก้อยอเขนาดปากกานะนะวะ่ว่าโตเย้าเกือบคาแขนเนะี่ยงูเป็นป่องๆนะไปคืองูทำท่านนะแต่ทางบ่แม่เบิงๆหลงพอบึ ง, ง, งจะเป็นงูแม่เบียเนยหัวมันบปใหญ่แต่ว่างูนายนายใหญ่เลยเด้การ การเข่าดำเข่าดำเข้าดำเข้าดำอะแต่หางเรี้ยวๆนะมันหนีบมันหนีบสวงหางมันบาดเนี่ยหนีประตูถึงสองเถื่อมันก็สิเจ็บเพ้าแห้งคือกันนอด้องประตูใหม่ไหมมันเดี๋ยวเขาไปมันก็เข้าเป๋วห้องูตัวเนี่ยเหขาก็ถอยกลางจางคือกันนรอวะเออมันเขามาได้ยังไดกุฏิของเขาขนาดหนูก็ยังเขามาเลยมันเขามาจะไดงูตัวเนี้ยพระโต้ว่ามันก็ทักกิเทีย ร่อยในพื่นของพระเข้าเดี๋ยวรื่นพื่นมันผื่นใหม่มเกี่ยนอยู่แล้วน่ะไปมันก็รวยไปรวยมากรวยไปเรืโอ้เข้าก็เลยเข้าไปหาหล่มได้หล่มมาแล้วเข้าก็เลยเกียร์เกียร์เกียร์เกียร์แล้วกเกีเยร์ออกร่งประตูแล้วก็เกียร์คิดลงไปพื่นแล้วน่ะไปอโอ้มันกขจีเจ็บอยนน่ะไปตัมันสิสักทีเทียเข่าป้าใดวะน่ะไปหลวงพ่อประตูเขาหนิบ ว่ามัห น, นีบกลางหลังเาหนีบช่วงข้างหางมังส่งใส่ดือมันลงไปขนาลงไปหนีบแหงเติบเยอะเลเขาหนีบตั้งสองเ ท, ทื่อไหมพอหนีบเถื่องบอกเขาเขาก็เน่นดึงเอีกว่นอไปหนีนบั้งที่สองอีกอบา้าแล้วมันจังเนียบอกมันหนีบพวกเขานี่ว่าประตูมันยังงับบวกเขา้าสายพังโงงูเต้เอากระโดดกลางจานให้กั น, กนเอาทั้งวนี่แหละ ผิดไพ่พมันเป็ น, นงนั้นใ่ไหมลูกหลานนี่ยปูไหลยู่ใส่ให้แลเบียงแล้วว่างอยู่ในขั่วเขื่อนประตูชั้นล่างห้องหนาห้องล่า ง, ห ง, างให้ปิดประตูไว้ตลอดจะไปเปิดประตูไว้ยามาเอาป่าอยู่อย่าไปอ้าไว้บางที่พวกงูเห่างูเอียงโอ้ปลาเขามามันไหลกบไหลเกียดติเมากบเกียดแลนเข้าไปในโดดเข้าไปในห้องหนาห้องนอนเข้ามันเข้าไปกินเลย เอาไปมันไปนอนอย่างเนี้ยเนี่ยมันนอนตื่นขึ้นมานี่งูรวยลายลอยลายตายไปจักทั้งออกเลยออันตรายเลยพรานั้นเขาอยู่ในป่าตองหลอกขอบหลวงปู่หลาสมัยเป็นเน่ยน้อยเวลาเอาบาดไว้เนี่ยเวลาพับสายบาดยาเอาผ้าขม้าปิดทั้งเท้งนะต้องงบผ้าเนี่ยต้องพับให้ดีเอาไว้ทั้งไต คนมาเห็ดแห้เบิง์นคนนี้น่ะุกปูลาน่านของเพิ่นมาเเพิ่นฝาสายบาดภาพลเพิ่นเอาผาเข้า ม, มาน่ผาผาผาเช็ดบาน่าปิดทั้งทบ้งาใน า, ามือย่มยันเลยงู้นะมันไปกินอไอ้กินขี่โกะนะกินขี่โกะกินขี่เกียมในให้กุดเพิ่นนะมันกุดฝาฝาฟางเเอาฟางเห็ดฝาเอาไม้กระแตะแนบทั้งสองขาง ข so ี่เก๋อพกขี่เกี่ยมพกมันมันอาศัยหันมาไงงู้งเกนไปไปกินขี่เก๋อวันขี่เก๋อหน่อยว่ากินแล้วมันมันนอนอยู่สายบาดเพิ่นาันี่มือเศร้าบ้างหิวสายบาดคือมาเขาเป็นอยังอ่อนหวยหนายเถอะบาดเออเป็นงู้งโยนถิมเลยหรือก้งเทาก็ได้โตโตโตโตโตโตแต่ในผลว่าระว่างได้ระว่างระว่างผลวันได้บาดเนี่สอนบูกหนองกันออกไปลงปูหลาแห่งข้นทีถวนนไป อต้องผ้าต้องพานี่พับให้แน่นให้มันเน่ง น, นะอยไปให้โกงโจงกุเกี้งนะผานะอันตรายนะงูนะคนว่านี่แหละอันนี้มันอยู่ในป่าในถงความรอบคอบตัวนี้มันมีมัดนั่นนี่แหละจังหัวนายใหญ่คนนี้ขี้เขียบมากัดขาดกัดตี น, นมันกัดยังไงขนาดตามไม่จริงมันก็อยู่ใน กูตอยู่ในสาลามมันเป็นกระเบื้องแท้เป็นเนื้ไปหาไหลเขามากัดมันเขามากดจังไดนี่มันอันตรายทั้งมัดพวกเข้าตรงอยู่ในปา่าในถงตรงเบิงบ่งเบิ่งนะช่วยกันเบิง่งพวกกูบ่าทั้งหลายชัดไยญาติโยมทั้งหลายบอลเมนตะเบิ่งแต่ขี้เขีบแม่งอด ง, งูเงี่ยวเกี่ยวเขานะระว่างหอดกระเบื้องพร้อมความความรุนพร้อมความรุ่ น, นะนตัวนี้กัอันตรายที่กัน ยางไปตรองลบเม็ดเราหวัดระวังยางมืน่นหัวหนกพื้นโอ้อันตรายว่ะเป็นอามโมพื้นกัมาพาดไพรสีซอยเจ้าของนะเหตุอย่างปลูกปูปากอะไรนะต้องคอยไปคอยมาต้องสังเกตสังกาผิดพัยอันตรายในการเป็นอยู่ของพว้เข้ามากไหมสรุปเลยคือพาลาฮาเวปันจักขันธานะขันทั้งห้าเป็นภาระหนัก พระพุทธเจ้าเนี่นะต้องในระเวียงระว่างปันนะั่นระว่างขันขันคือยังคือตาหูจมูกลิน้นกายนะกายร่างกายของเอานะั่นขันหานะตาหูจมูกลิน้นกายนะเรียกว่าขันหาให้ระวังอันตรายนะ